คนเราจะต้องเวียนไหวตายเกิดไม่จบไม่สิ้นเลยเหรอถ้ากดขั้นพื้นฐานของธรรมชาติคือไม่มีอะไรเที่ยงการเวียนไหวตายเกิดก็น่าจะต้องเสื่อมสลายไปเองด้วยแม้แต่ดวงอาทิตย์ยังดับได้แล้วทาไมภพชาติจึงดับไม่ได้ที่ดวงอาทิตย์ยังลุก โงอยู่ก็เพราะมีเชื้อของไฟอันได้แก่ไฮดโดรเจนพออยู่ๆไปไฮดโดรเจนหมดลงปฏิกิริยานิวเคลียร์ก็พลอยยุติแล้วคลี่คลายไปเป็นสิ่งที่เรียกกันว่าซูปเปอร์โนวาซึ่งคุณคงทราบว่าซูปเปอร์โนวาไม่ใช่แค่การดับไปเฉยๆของดวงอาทิตย์มันเป็นอะไรที่ซับซ้อนและออกลึกครึกโครมกว่าการหายไปของเปลวไฟธรรมดา อีกทั้งหลังจากนั้นมันก็แปรไปเป็นหลุมดำมิใช่สาบสูนย์ไม่เหลืออะไรหากมองความจริงไม่ว่าจะเลือกมองที่ตรงไหนคุณจะพบความเหมือนกันอันเป็นสากล น, นั่นคือแต่ละสิ่งแปรจากความเป็นอย่างหนึง่งไปสู่ความเป็นอีกอย่างหนึ่งเสมอการเวียนว่ายตายเกิดก็เช่นกันแสดงความไม่เที่ยงในรูปของการเปลี่ยนจากชาติของความเป็นอย่างหนึง่ง ไปสู่ชาติของความเป็นอีกอย่างหนึง่งตามกรรมหากกำหนดสติเฝ้ามองกายใจของคุณเองตามหลักที่พระพุทธเจ้าประทานไว้คุณจะถึงความจริงอันเป็นที่สุดคือการเวียนว่ายตายเกิดหรือสังสารวัฏนี้มีอยู่ได้ด้วยเหตุเหตุที่ว่าเริ่มจากความไม่รู้ตราบใดยังไม่รู้วิธียุติการเดินทางตราบนั้นพวกเราจะมีความเมาบุญเมาบาป ก่อบาปก่อบุญด้วยความไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรเป็นผลลัพธ์ข้างหน้าเมื่อมีบุญมีบาปสัตว์ตายจากชาตินึงย่อมอาศัยบุญอาศัยบาปไปเข้าคันมารดาหรือเข้าท้องสัตว์หรือถือกำเนิดแบบผุดเต็มตัวทันทีในแดนนรกแดนเปรตแดนเทพแดนพรมจากนั้นก็สวยสุขสวยทุกข์อยากสุขและหน่ายทุกข์ละก่อบุญก่อบาปเพื่อให้ได้สุข และหนีทุกเป็นคราวๆนําไปสู่พบใหม่ภูมิใหม่อีกกลายเป็นสายโซ่แห่งการเวียนเกิดเวียนตายไปเรื่อยๆหาที่สุดเองโดยอัตโนมัติมิได้ตราบใดยังไม่หมดเหตุตราบนั้นสังสารวัตรจะยังปรากฏอยู่ต่อเมื่อหมดเหตุแล้วคือกำจัดความไม่รู้และความทยานอยากได้แล้วนั่นแหละสังสารวัรจึงถึงการสิ้นสุดลงนี่เป็นกฎพื้นฐานที่มีความแน่นอน เที่ยงที่จะเป็นเช่นนี้ตลอดไป